ภาวนาดีอ่านหนังสือออกมีพระองค์หนึ่งแกเกิดอยู่แถวชายแดนโน่นต่อเขตคเมรอนไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกพระท่านไปทุดงแถวชายแดนก็ไปได้คนคนนี้มาเอามาแกอยากบวชก็มาสอนให้แกท่องคำขานนาค ตั้งสมเดือนถึงจำได้พอบวชเสร็จแล้วแกก็สนใจเรียนหนังสือพระเนนอื่นๆที่เขาอ่านออกเขียนได้เขาก็ไม่สอนหลวงพ่อก็ไม่มีเวลาสอนสอนบ้างไม่สอนบ้างก็เลยบอกว่าเอาอย่างเนี้ยดีกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งพอเจ้าฉันจังหันเสร็จเก็บบริหารเสร็จเรียบร้อยให้เดินจงกรม แล้วก็นั่งสมาธิเมื่อไแล้วก็พักผ่อนพอสมควรตื่นขึ้นมาก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแกทําอยู่เจ็ดวันก็รู้สึกว่าแกทําอย่างขยันขันแข็งเหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่อเดินผ่านหน้ากุฏิแกไปแกจับหนังสือพิมพ์อ่านหลวงพ่อก็ทักว่าเอออ่านหนังสือพิมพ์ อาหัวมันลงหรือเอาหัวขึ้นกันแน่แกวางหนังสือพิมพ์แล้ววิ่งมากราบหลวงพ่อผมภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนผมอ่านหนังสือได้ไหนไปเอามาอ่านให้ฟังหน่อยซิมาอ่านแกก็อ่านได้แต่มันก็เป็นไปตามสำเนียงภาษาพื้นบ้านของแกแกอ่านได้เข้าใจดีทีเนี้ยอยู่มาภายหลังเนี่ย อาจารย์ที่เอาแกมาบวชนั่นนะ่ะก็เป็นอาจารย์ให้หวยพอลูกศิษย์ภาวนาอา่านหนังสือออกก็บอกให้ไปนั่งเอาหวยหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปทำเช่นนั้นเดี๋ยวมันจะเสื่อมไปไปม า, มาบอกหวยถูกสองสามงวดพอหลังจากนั้นบอกไม่ถูกสักทีหนังสือก็อา่านไม่ออก